ดีแล้วที่ถอยออกมาซะก่อนไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะตามภูมิประเทศตอนนี้อำนวยให้มันมากว่าแต่ที่ยิงกันสนั่นเมื่อตะกี้ไม่ถูกมันบ้างเลยเหรอไม่มีร่องรอยอะไรว่ามันจะถูกลูกปืนของเราเลยครับเพราะไม่เห็นรอยเลือดมีแต่รอยปีนปรากฏอยู่ตรงบางแห่งที่มีฝุ่นจับมากๆเท่านั้นตอนนี้ผมก็กล้ารับรองได้ว่ามันยังไปได้ไม่ไกลหลบคุ้มเชิงอยู่ในป่าหินนี่แหละถ้าเราตามมันก็จะหลอกล่อให้ตามไปเรื่อยๆโดยอาศัยความรกทึบของป่าเป็นที่หลบตัว แล้วเขาก็หันไปทางมาเรียกับชายยันเห็นตัวมันอย่างไรกันนี่ใครเป็นคนยิงก่อนสองคนผู้รังท้ายขบวนและเป็นคู่แรกที่เผชิญกับเหตุการณ์มองดูหน้ากันเองเต้นไปทั้งระบบประสาทแทบไม่มีเสียงผ่านลาคอออกมาได้ในขณะนั้นแล้วชายยันก็อธิบายให้ทุกคนทราบถึงเหตุการณ์ที่เขากับมาเรียรเผชิญด้วยเสียงอันแหบพร่า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 พอมาแยกจะอ้อมไปดูด้านหลังมันก็เผ่นพูดผ่าออกกระโจนไปยังป่าปงพอไหวทันว่าเรารู้ตัวซะแล้วฉันยิงตามหลังมันไปทั้งๆที่เห็นไม่ถนัดมันปัจจุบันทันด่วนเหลือเกินไม่มีโอกาสจะเล็งได้เลยชายยันบอกตอนท้ายของการเล่าอันรวดเร็วนั้นระหว่างที่ทุกคนนิ่งคอแข็งหนักใจต่อสถานการณ์อันล่อแหลมกันไปหมด่านใหญ่ก็หันไปทางหัวหน้าคณะพูดต่ำ โชคดีมากที่คุณชายสั่งให้สองคนนี้คุมอยู่ท้ายขบวนมันกะที่จะเล่นงานท้ายขบวนเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็คงจะเป็นพวกที่หาบของนั่นแหละเพราะรู้จุดอ่อนเชิดถาโครงศีสระช้าๆกัดกรามแน่นไอ้มหาการนี้มันเจตนาจองล้างจองผ่านพวกเราจริงๆและทําศึกติดพันกับพวกเรามาในระยะคาบเกี่ยวติดต่อกันมานานที่สุดนานกว่าสัตว์ร้ายทุกชนิดที่เคยขับเคี่ยวกับเรามาแล้วและด้วยเล่ห์กลไหวพลิบเหนือกว่ามากนะ ยิ่งกว่าไอแหวนักสิบเท่าเอาละให้มันรู้ไปถ้าไม่มันหรือเราก็คงได้แหลากกันไปข้างหนึ่งแต่น่าแปลกเหลือเกินพวกเรายิงมันมาหลายครั้งแล้วมันหลบรอดไปได้ทุกทีทําไมรู้สึกในความผิดปกติถึงไม่ส่งสัญญาณให้พวกเรารู้ตัวบ้างดารินถามขึ้นเต็มไปด้วยความวิตกเป็นทุกข์โอกอดเราไม่มีโอกาสบอกอะไร พ, กพวกพ่อที่ล่วงหน้าไปก่อนได้เลยมาเรียตอบอย่างสำลักตาสีเขียวลุกเวาว ก้อนหินมันกิ้งตกลงมาตรงทางเดินข้างหน้าเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งซุ่มอยู่บนยอดปลกนั่นซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่สังหอนว่ามันเป็นสิ่งร้ายสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเตรียมระวังตัวไว้และค้นหามันแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอย่างที่ชา ย, ยันเล่าให้ฟังฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันกาลังคุยสนุกสนานอยู่กับชา ย, ยันและหัวเราะดังลั่นขึ้น มันกำลังหมอบซุ่มอยู่เกิดตกใจจึงขยับตัวทำให้ก้อนหินหลุดล่วงลงมาเป็นการเตือนเราถ้างั้นจงขอบคุณพระเจ้าเถิดที่บันดานให้คุณหัวเราะขึ้นก่อนที่หัวกระหม่อมจะเละไปเราพินตอบเสียงแห้งหย่อนกายลงนั่งพักขายอย่างอ่อนเพลียเพลียใจบนแง่งหินใกล้ๆเปิดกระติกน้ำออกดื่มกลุวคอเป็นครั้งแรกตอนที่พวกเรายิงกันสนั่นหวั่นไหวเมื่อกี้คุณไม่มีโอกาสได้ลั่นกระสุนบ้างเลยเลิกผู้กอง เชษฐ า, ามเขาสั่งศีรษะแววตาแห้งผากเข่นขึงผมเองก็เจ็บใจอยู่จนเดี๋ยวนี้ว่ามันไม่เคยเข้าทางปืนของผมถนัดเลยจนครั้งเดียวพวกเราส่วนมากได้เป้าหมายดีกว่าผมแต่เพราะความตื่นเต้นและรีบด่วนเกินไปทำให้ยิงพลาดกันหมดแม้กระทั่งมือดีๆอย่างคุณหญิงกับเมตลอดเวลามันกลายเป็นว่าพวกเรายิงไล่มันเท่านั้นและมันก็เจตนาจะล่อให้ยิงซะด้วย ฉันก็เห็นเป้าหมายไม่ถนัดเหมือนกันแต่ในภาวะเช่นนี้ถูกผิดเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าต้องยิงละสุ่มไปก่อนดาวรุนแก้ด้วยเสียงอ้อมแอมไม่เติมปากนะักความจริงหล่อนได้เป้าหมายถนัดตาที่สุดอย่างน้อยก็หนึ่งในสของวินาทีขณะที่มันวิ่งผ่านไปในระหว่างก้อนหินแต่ความตื่นเต้นจนระงับสติไม่ได้ทําให้หล่อนยิงพลาดไปอย่างบุบวิ ด, วดกระทบก้อนหินซะก่อน คุณคาเป็นอีกคนนึงรองลงมาจากรัะถินที่ไม่มีโอกาสยิงเลยแม้แต่นัดเดียวเพราะมองไม่เห็นตัวนอกจากเงาของมันที่เลี้ยวรัดผ่านไปในระหว่างก้อนหินอย่างรวดเร็วจนดูไม่ทันเท่านั้นแกกบเคี้ยวเคี้ยวฟันสบดดาอยู่ขมถมเถด้วยความกดแค้เหลือที่จะกล่าวไอ้ต่าหินรกเถาวันนั่นแท้ๆที่ช่วยมันไว้แกว่า ม, มันก็ฉลาดเหลือหลื้อยเลือกจ้องจะเล่นงานเราในบริเวณที่สะดวกในทางหนีที่ไล่ของมันความจริงป่าแถบนี้ส่วนมากก็โป่งโล่งมันไม่น่าจะกล้าเลยเอานี้เถอะนายมันคอยดักเล่นท้ายอยู่อย่างนี้นายลงมาเดินคุมหลังซะให้บุญคํานําหน้าเองดูซิว่าคราวนี้มันจะเปลี่ยนไปดักตะคุบหัวบุญคำที่เดินอยู่ข้างหน้าไหมบุญคําแกะรอยไอ้กองกอยได้นายไม่ต้องห่วงว่าจะผิดทางหรอก เชิฐาสายหน้าอย่างไม่เห็นด้วยขัดโดยเร็วฉันเชื่อว่าทั้งพานใหญ่และบุญคำ คุมปิดหัวท้ายขบวนได้โดยไม่ต้องห่วงแต่อย่าลืมว่าบุญคําไม่ได้เดินตัวเปล่าแต่หาบของอยู่ด้วยถ้ามันดักซุ่มจนเข้าใส่บุญคําคงรับมือมันไม่ทันแน่เพราะฉะนั้นบุญคําและพวกที่แบกหามทุกคนอย่าห่วงในข้อนี้เลยหน้าที่การคุ้มกันเป็นของพวกชั้นห้าคนโดยเฉพาะพานใหญ่นําหน้าดีแล้วส่วนด้านหลังพวกชั้นจะพิจารณากันเองว่าจะผัดเปลี่ยนใครลงไปคุมไว้เชื่อว่าทุกคนที่รับหน้าที่นี้คงคุ้มกันได้ ด้านหลังสองครั้งแล้วที่มันพลาดคราวนี้เห็นจะต้องระวังกลางขาบวนแล้วล่ะครับภายหลังจากนิ่งอยู่ครู่จอมพลนก็กล่าวขึ้นอย่างระมัดระวังถ้ามันกระโจนใส่กลางขาบวนเราเมื่อไหร่เราจะเสียเปรียบมันอย่างที่สุดเพราะยิงไม่ถนัดติดพวกกันเองทั้งหน้าทั้งหลังต่อไปนี้ผ่านเข้าไปในภูมิประเทศขับขันเป็นต้นว่าดงรกทึบ เต็มไปด้วยที่กำบังเราจะต้องเพิ่มการระมัดระวังตัวขึ้นอีกเป็น2เท่าเชื่อใจได้แน่นอนแล้วว่าครับว่าไอ้ปลอดดามจะตามรางควานดักตูดโจมเราอยู่เป็นอย่างนี้ทุกระยะการเคลื่อนไหวสุดแตะโอกาสเหมาะของมันจนกว่าพวกเราจะแตกดับไปทีเราคนจนหมดทั้งคณะหรือมิฉนั้นก็จนกว่าเราจะสังหารมันลงได้เชิดายิ้มเยอกเย็นเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวมั่นคงตบไหลเขาเบ า, เบา ผมเห็นใจคุณเหลือเกินผู้กองและเข้าใจความรู้สึกของคุณดีว่าเต็มไปด้วยความห่วงหน้าพวงหลังเช่นไรความกังวลของคุณมันอยู่ในข้อที่ว่าต้องรับภาระหนักในการคอยคุ้มกันปกป้องชีวิตของพวกเราทั้งหมดอย่า ก, กังวลไปเลยทำให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ก็แล้วกันสำหรับพวกผมาสี่คนจะพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดหากเกิดเหตุขับขันขึ้นขณะเดียวกันก็สำนึกในภาระที่จะคุ้มครองพวกผู้กหาบด้วย แล้หัวหน้าคณะก็หันไปกำชับซักซ้อมความเข้าใจกับทุกคนให้ยึดถือหลักความปลอดภัยจากการยิงพลาดถูกกันเองให้มากที่สุดเพราะนั่นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลหนักใจยิ่งกว่าอะไรทั้งสิน้นเขามองเห็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดการยิงกันขึ้นอย่างอิสระเป็นโกลาหลเห็นอาการหมอบลบอยู่กับที่โดยไม่กล้าเหงยหัวขึ้นของรัฐินภัยวันในขณะที่คนอื่นซันโวผ่านข้ามศรีสะจอมผ่านไปหูดับตับไมหมโดยโมแต่คำนึงถึงเป้าหมายที่ต้องการจะสังหารเลยลืมนึกถึงแนวกระสุนที่อาจ พลาดไปโดนพวกเดียวกันเข้าและมันดูเหมือนจะเป็นเพราะพินต้องมัวคอยหลบแนวกระสุนอยู่นั่นเองจึงพลาดโอกาสนั่นไปอย่างน่าเสียดายหาไม่เช่นนั้นจอมพานอาจจะคว่ำ ม, มันลงได้แล้วด้วยกระสุนสั่งของเขาถ้ายังยิงมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขออย่างเดียวอย่ายิงให้ถูกพวกเรากันเองเชื่ถ่ายย้ำแล้วย้ำอีกต่างนั่งพักซักซ้อมความเข้าใจกันเป็นอันดีแล้วก็เรื่องการเดินทางต่อไปโดยไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่น้อย ดองอันแห้งแรงร้อนละอุกนั้นไปเดียวขึ้นสูงไปเดียวลาดลงต่ำทั้งหมดจับกลุ่มเข้ารวมขบวนเข้ามาในครั้งนี้ไม่ทอดระยะให้ห่างกันเกินไปนักโดยมีชายยันและมาเรียคุมหลังตามเดิมจะเป็นสังหอนหรือประสาทร้อนอย่างไรก็ไม่ทราบได้ชายยันผู้ซึ่งบัดนี้ลืมข้อความสนทนาอันให้รสชาติอันนา่าตื่นเต้นแปลกประหลาดระหว่างเขากับมาเรีย ก่อนหน้าที่จะมีเหตุร้ายเข้ามาแทรกขัดจังหวะเสื้ออย่างกระทันหันเขาเดินระวังตัวแจะหูตาเปิดพร้อมปืนไม่ได้สะพายแต่ปดมาถือกระชับอยู่ในมือเรากับกองรบหน่วยจู่โจมซึ่งเข้าเขตอันตรายโดยไม่ทราบว่าฝ่ายตรงข้ามจะโผล่พรวดพลาดออกมาโจมตีเมื่อไหร่เสียงแว่วคล้ายๆกับจะมีอะไรย่องตามหลังมาทุกขยะก็ม SAS, ักจะคบับคลายคลับคลาว่าเงาดําปหนึ่งภาพมายาของปีศาจ หลบพุกเข้ามาแอบซุ่มรกอยู่ใต้ต้นไม้อยู่เสมอหลายต่อหลายครั้งที่เขาหยุดพิจารณาและเกือบจะทดลองยิงสุ่มออกไปแต่ก็เกรงว่าพักพูกจะตื่นโกลาหนและพิจารณาว่าเขาประสาทผ่อนเกินไปจึงมีอาการหลอกตัวเองขึ้นมาสังเกตจับอาการไปยังมาเรียรซึ่งเดินเคียงอยู่ใกล้ๆแบนสาวเคร่งขรึมไม่ปึ่งปาพูดคำใดกับเขาผิดไปกว่าครั้งแรกรู้สึกว่าหล่อนจะคอยจับประหัสอะไรด้วยความระมัดระวังอยู่เหมือนกัน แล้วพันธุยามาาของดร h o อฟมันก็หยุดชนะ ก, กับที่อีกครั้งหนึ่งพลทำให้ชายยันหยุดลงตามด้วยฉันคิดว่าคุณรู้สึกเหมือนฉันหลํากระซิป ต, ตาวาวกล้าวกกาดไปยังแนวป่าเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยต้นไม้และโขดเนินอําพรางเกะกะอะไรมันย่องตามเราหลังเรามาทุกระยะและเหมือนจะอ่านท่าทีทายใจเราถูกทุกครั้งที่เหลี่ยวกับบันลก ถ้างั้นประสาทของผมก็ไม่ได้หลอนตัวเองปล่อยให้พักพวกล่วงหน้าไปก่อนเราดักดูท่าทีมันอยู่ที่ก้อนหินนี่ดีไหมมันอาจชะล่าใจโผลออกมาให้เห็นถนัดก็ได้โดยคิดว่าเราห่างออกไปแล้วมาเรียยิ้มคิดเครียด ฉันอยากจะทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่สถานการณ์แบบนี้เราไม่ควรจะทําอะไรลงไปโดยอิสระโดยไม่ให้พวกเรารับรู้ไว้ ก, ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยวันเขาคนเดียวเท่านั้นจะตัดสินใจได้ถูกต้องดีที่สุดว่าเราควรจะทําอย่างไรถึงแม้ฉันจะเชื่อมือตัวเองสักแค่ไหนแต่ก็ยังเชื่อได้น้อยกว่ามิสเตอร์ฮันเตอร์ของเรานั่นความเห็นอันรอบคอบของมาเรียทําให้ชายยันฉุกใจคิดขึ้นมาได้เขามองไปเบื้องหน้าอันเป็นแนวขบวนทั้งหมดเข้าแถวเรียงเดียวเป็นหางกันไปและร่าง ลแข็งแกร่งที่สุดที่เดินนำดุ่งอยู่หัวกระบวนก่อนที่จะเอ่ยปากเช่นใดนั้นมาเรีกก็ยกไรเฟริลในมือขึ้นเป๋าลมลงไปในรูของตุ่มลูกเลื่อนอย่างชำนาญปรากฏเป็นเสียงแหลมยาวเหมือนเสียงร้องของนกบางชนิดในความเงียบสงกเช่นนี้บรรดังกังวานไกลร่างนั้นหยุดชะงักหันกลับมาพร้อมกับคนอื่นๆที่พลอยเหลวหลังมองหลังก็โบกมือเป็นสัญญาณเรียก และพิมเข้าข้างทางให้พวกลูกหาผ่านล่วงหน้าไปก่อนแล้วเขาก็เดินย้อนกลับมายังมาเรและชายยานันซึ่งยืนอยู่ที่เก่าดารวินขยับจะย้อนตามลงมาด้วยความสงสัยแต่พี่ชายฉุดแขนไว้บอกว่าไม่ต้องไปหรอกเราเดินล่วงหน้าไปก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวก็รู้เองว่ามีอะไรพวกลูกหาลึกไปโน่นแล้วจะไม่มีใครคุ้มกันให้ถ้าเราไปรวมกลุ่มกันข้างหลังสมดเมื่อจอมผ่านเข้ามาถึงชายยันก็เอาหัวแม่มือใต้ข้ามไหล่ไปทางเบื้องหลังไอ้นั่นกําลังแกะรอยเรากระดิกมาทุกระยะ มันย่องตามอยู่ข้างหลังตลอดเวลาและพินตารุกโพรงด้วยความประหลาดใจหันไปจ้องมาเรียจิ้งเหล่อเม่หนําสาวเชื้อพานใหญ่แห่งซาฟารีพยักหน้านิดหนึ่งแทนคำตอบความแคลงใจของเขาในข้อที่ว่าชา ย, ยันเพ้อไปก็สิ้นสุดลงไปในทันทีนั่นเองเขาไม่เชื่อชา ย, ยานันแต่จำเป็นต้องเชื่อมาเรียเพราะรู้มือกันมาก่อน ระหว่างที่ยืนจ้องส่วนไปทางตาด้านหลังด้วยความสุดพิศวงชา ย, ยันก็กระซิบต่อมาว่าผมกับเมย์ไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้อีกถึงได้บอกให้คุณรู้แต่ถ้าคุณไว้วางใจเราก็ไปเดินนําข้างหน้าตามเดิมก็ได้เพียงแค่บอกให้รู้ตัวซะก่อนเท่านั้นมาเวรกกระซิบเสริมมาบ้างไม่ทันจะขาดคําพูดของหล่อนทั้งสามก็ได้ยินเสียงเล็บตะกุยดังคว่างๆมาจากตีเนเดินด้านตรงข้ามโดยไม่เห็นตัวเพราะยอดเนินบังอยู่ เสียงนั้นไม่ดังจนเกินไปนักและผู้ที่เดินล่วงหน้าไปก่อนก็ไม่มีอาการแสดงว่าได้ยินเพราะขณะนี้ทิ้งระยะห่างออกไปคุณสองคนล่วงหน้าขึ้นไปก่อนดีกว่าผมจะอยู่ตรงนี้ก่อนฝากเตรียนถามคุณชายด้วยว่าจะอนุญาตให้ผมตามมันหรือไม่ถ้าตกลงเมเปลาลูกเลื่อนปืนให้สัญญาณครสองครั้งและทุกคนเดินต่อไปตามทิศทางเดินไม่ต้องเป็นห่วงผมให้บุญคานาไปแล้วผมจะตามไปทันเอง สองคนผ่าจากเขาอย่างไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องเกี่ยงงอนหรือถกเถียงกันให้เสียเวลาแล้วอึดใจใหญ่ต่อมานั่นเองเชิากรบดาลินก็ได้รับรายงานให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทางเบื้องหลังและพานใหญ่ข อ, อการตัดสินใจสั่งการจากหัวหน้าคณะมาเช่นใด ดีท่านทูตทหารบกบอกให้น้องสาวและอีกสองคนเดินตามขบวนลูกหากเป็นหน่วยคุ้มกันไปตามปกติส่วนตัวเองเดินย้อนกลับมาพบพานใหญ่ซุ้งยืนสุบรีซุ้มอยู่หลังจอมปลวกอย่าหลงกลรบพินผมแน่ใจว่ามันมีเจตนา ย, ยั่วเพื่อหมายล่อให้เราพะวะพระวัวงเปลี่ยนเส้นทางการตามมันก็คือการออกนอกทิศทางที่เรากำลังมุ่งไป ่านใหญ่คิดหนักหน่วงบ้านตาเกลื่กระด้างทั้งคู่หลี่ซึมลงแล้วก็รู้สึกว่าคำพูดของนายจ้างน่าจะเป็นความจริงไอด้ดำมหาการวางแผนอะไรบางอย่างกับคณะของเขาเสียแล้วลูกการของมันล่อชัดให้เห็นว่าต้องการจะดึงความสนใจของฝ่ายมนุษย์ให้หันไปพะวงห่วงอยู่กับมันโดยมีเจตนาลึกลับอะไรบางประการถ้าไม่มาในรูปก่อกวนแบบสงครามประสาทก็คงเป็นอุบายที่จะชักจูงให้เดินทางเบนออกจากเข็มเดิมหรือมิฉะนั้นก็ถ่วงปะวิงให้ล่าช้าลง ไม่เช่นนั้นมันคงไม่เพียงพยายามสะกดตามมาเบื้องหลังขบวนและทําอาการลับๆ ล, ล่อๆเหมือนจะเตือนให้ฝ่ายมนุษย์รู้ตัวเช่นนี้การขวัตะกดตะกายต้นไม้ก็ดีหรือการทําเสียงอื่นๆเตือนให้มาเรียกับชายยันได้รู้ตัวว่ามันย่องสะกดมาเบื้องหลังทุกระยะก็ดีน่าจะแสดงให้เห็นถึงเจตนานั้นอย่างชัดเจนซึ่งถ้าพิจารณาการถึงสัตว์ในชั้นเดราชานทั่วๆไปแล้วต่อให้มีสมองฉลาดล้ำสักเพียงใดก็ไม่น่าจะคิดหรือทําได้ถึงเพียงนี้ อย่างไรก็ตามเขามีความรู้สึกภายในที่จะต้องแสดงให้หนายจ้างทราบ ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เป็นต้นมาเราเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวครับคุณชายเหตุผลที่เราจําเป็นต้องมัวคอยรับก็คือมันเป็นเวลากลางคืนซึ่งเกลงไปว่าเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบและขณะนี้เดี๋ยวนี้เรามองเห็นได้เท่าๆกับมันแล้วในชีวิตผ่านของผมไม่เคยเลยสักครั้งที่จะมีสิงสัตว์ใดๆทําการดูหมิ่นหยาบมได้เหมือนเช่นที่ไอเสือแมลงผู้ตัวนี้ทําอยู่ในขณะนี้ไม่ว่ามันจะร้ายกาศสักเพียงไหนผมเองก็เข้าใจอย่างคุณชายคือรู้ว่ามันหลอกล่อเพื่อวัตถุประสงค์ลึกลับอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่เมื่อมันบังอาจล่อทำความภาะวะผวังให้เราได้มันก็ควรจะเสี่ยงกับวาระสุดท้ายของตัวมันเองด้วยไม่ใช่ทำเอาได้ข้างเดียวเขาหยุดเวด้นระยะบทริมฝีปากแน่นสนิทจ้องมองไปยังแนวป่าด้านหลังอันเต็มไปด้วยซอกมุมอัมพางตาซึ่งล้วนเป็นที่แอบกำบังได้เป็นอย่างดีเพียงแค่ห่างออกไปไม่เกิน 20-30 าหลากล่าวต่อมาด้วยเสียงเฮี้ยมเกลียม แทนที่จะเดินคอยระวังตัวจากการดักจู่โจมของมันอยู่เช่นนี้ผมอยากจะเดินเข้าหามันบ้างหละ่ะโอกาสอย่างนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วตลอดเวลาสัตว์ร้ายทุกชนิดมีแต่จะหลบหนีหน้าผมให้กางไกลลิบลับตามกันไม่ไหวแต่ไอ้นี่ย่องเปื้อนเปียนเข้ามาใกล้อยู่ตลอดเวลาคุณชายคุมขบวนของเราทั้งหมดไปตามทิศทางเดินเถอะครับไม่ต้องกลัวว่าผิดเส้นทางพระบุญคํานําได้และไม่ต้องเป็นห่วงผมถึงอย่างไรผมก็จะตามไปทันในเวลาไม่นานนะัก เชิดถามองดูเขาด้วยสายตารักสนิทยิ้มให้ผางสายศีรษะค้านอย่างไม่ยอมให้ปฏิเสธหรือบ่ายเบี่ยงใดๆไ ด, ได้อย่าดีกว่าผู้กองอย่าเสียเวลาและอย่าติดกับรอกของมันไม่เฉลียวคิดบ้างหรือว่ามันมายุ่งให้คุณออกตามไปทางหนึ่งเพื่อจร้อนตลบมาเล่นงานพวกเราอีกทางหนึ่งพนันกันก็ได้ว่าถ้าคุณมาเดินคุมหลังมันจะอ้อมไปดักอยู่ข้างหน้าและถ้าคุณไปคอยรับข้างหน้ามันก็จะวกกลับมาตีท้ายคอยหลบหลีกอยู่อย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นเราไปตามเส้นทางของเราดีกว่าไม่ต้องคิดว่าจะต้องไปติดตามล่ามันคอยจังหวะอยู่แต่ว่าถ้ามันหรวมตัวเข้าทางปืนเราเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องยั้งซัดให้แหลกเลยผมเดาได้ว่าถ้าคุณผ่าจากขบวนของเราไปทั้งหมดมุ่งตามมันเมื่อไหร่ลักษณะของคุณจะกลายเป็นพระรอตามไก่เมื่อนั้นคือไปอย่างชนิดหายห่วงเลยมันยั่วใจทิ้งท้ายให้คุณเห็นลับร่ออยู่เรื่อยพอจะเข้าทางปืนเหมาะก็หลบซุ้มซะแล้วก็ถอยห่างล่อให้ตามไปอีกจากเท่าที่เห็นมาแล้วมันฉลาดร รู้พอที่จะกำหนดได้ว่าการหลอกล่กอพวกตื่นนั้นควรทําอย่างไรระหว่างมันกับคุณมันอาจทําอันตรายอะไรคุณไม่ได้ก็จริงแต่ที่มันทําได้ก็คือหลอกให้คุณตามและพัดกับคณะของเราทั้งหมดใจเย็นๆไว้ละพินเราต้องได้ฟาดกับมันอย่างเหมาะๆอีกแน่โดยไม่จําเป็นต้องมุ่งตามมันให้เสียเวลาหรอก แม้ว่ามีความรู้สึกที่ขัดแย้งเช่นไรเขาก็จำเป็นต้องยอมปฏิบัติตามความเห็นชี้ขาดนั้นโดยฝา่าฝืนไม่ได้เชษฐาจึงเป็นอีกผู้หนึ่งที่เดินอยู่ท้ายขบวนเคียงคู่กับพานใหญ่เหมือนจะไม่ไว้ใจถ้าปล่อยจอมพานไว้เบื้องหลังคนเดียวเขาอาจปลีกตัวแยกตามไอด้ดำ ม, มาหาการไปในขณะในขนดขณะหนึ่งที่มันมาล่อเข้าใกล้ ระหว่างที่เดินปิดท้ายขบวนไปเงียบๆพร้อมทั้งประสาทแห่งการสดับกับฟังที่เปิดพร้อมทั้งรัะพินและราชะสกุลหนุ่มไม่ได้วีวแววใดๆของมหาการยากอีกเลยเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนเส้นทางล้มเลิกการสะกดติดตามมาฉะนั้นต่างไม่ปิดปากคำใดนอกจากสายตาของเชิฐาที่มองมาเงียบๆเหมือนจะเป็นความหมายบอกให้ผานใหญ่ทราบว่าที่เขาพูดไว้นั้นมันเป็นความจริงเพียงไรแต่ละพินไม่ยอมวางใจประมาทใดๆทั้งสิน้นเขาเชื่อว่ามันอาจเว้นระยะการตามห่างออกไป ไ, ไ, ไม่เกินครึ่งชั่วโมงของเหตุการณ์ที่ผ่านไปอย่างดุตเสดียภาพนั่นเองบุญคำกับขยินอันเป็นลูกหาบคู่แรกที่เดินนำไปเบื้องหน้าโดยมีชา ย, ยันคุ้มกันมาอย่างกระชันชิดก็หยุดชะงักก้มลงมองดูพื้นและพูดกันเอะอะปะักยางตนกตนึงและคนแปลก ชายันวิ่งเข้าไปอย่างเงินงงด้วยจากนั้นไม่ถึงทิบตาดารินและมาเรียซึ่งเดินเคียงคุยกันเบาๆอยู่ในระหว่างลูกหาบอีกสองคู่ก็พูกันเข้าไปถึงคนเหล่านั้นหันกลับมายัางละพินและหัวหน้าคณะผู้ทอดทิ้งท้ายห่างขบวนประมาณ30หลาแล้วโบกมือเรียกมาอย่างรีบร้อน เมื่อทั้งสองวิ่งตามเข้ามาถึงก็เห็นพื้นดานอันจับนาไปด้วยฝุ่นในระหว่างสองฝากป่าหินนั้นปรากฏรอยตีนของไอ้เสือปีศาจประทับอยู่อย่างถนัดชัดเจนเป็นรอยใหม่เหมือนกับว่ามันจเจริญผ่านไปเมื่ออึดใจใหญ่ๆนี่เองโดยเลาะลัดออกมาจากแนวขดหินซ้ายตัดข้ามทางหายเข้าไปในตาหินซีกขวามือจากรอยนั้นทําให้มีความรู้สึกคล้ายๆกันว่าถ้าจะแกะรอยตามก็แทบจะมองเห็นบั้นท้ายกันภายในสองสามนาทีนี่ทีเดียวเชื้อถ่ายแยกเคี้ยวออกมา จริงอย่างที่ผมพูดไว้ไหมผู้กองพอคุณลงไปเดินคุมท้ายกระบวนมันก็วกมาอยู่ด้านหน้าและพับผ่าเถอะรอยปีนชนิดนี้มันเจตจะมาให้เราตามชัดๆ ให้มันได้อย่างนี้สิพ่อเจ้าประคุณเอ้ยชั ย, ยันคลางออกมาถ้าตามรอยนี่สาบานได้ว่าเราจะพบตัวมันภายในไม่เกิน5้านาทีมาเรียบอกโดยเร็วกว่าสายตาตามรอยซึ่งเลาะเลี้ยวหายไปในระหว่างก้อนหินที่ขึ้นอยู่สลับซับซ้อนสูงประมาณแค่ยอดอกไม่พูดปล่าแหม่มสาวขยับตัวแต่ดารินคว้าเข็มขัดปืนสั้นด้านหลังไว้อย่าทาอะไรงง้เม ภายหลังจากพินิดนิ่งเหมือนจะเข้าฌ า, านอ่านรู้การอยู่ครึ่งอึดใจแล้พินก็หันไปทางตะพานเท่ารอยไอ้กองกอยไปทางไหนบุญคําคนของเขาชี้ไปทางเส้นทางด่านที่บ่ายหน้ามามันหักไม้ทําสัญญาณชี้ให้ไปตามเส้นทางนี้แหละนายแต่รอยปีนไอ้ชิปหายนี่มันเดินตัดเส้นทางไปทางโน้นแยกคนละทาง เห็นชัดหรวยยังมันพยายามดึงความสนใจเราให้ตามมันแทนที่จะเดินไปตามเส้นทางเดิมเชษฐาหันมากล่าวโดยเร็วกับจอมพานรับผินทวงหนักไปหมดทั้งสมองเราไม่เปลี่ยนเส้นทางสะอย่างเดียวดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเขาตัดสินใจฉับพันนั้นหันไปสั่งการกับบุญคำและพวกลูกหาให้ยึดแนวตามเดิมแล้วบอกมุ่นห้วนกับคณะนายจ้างว่าเอาเอาละครับ ข้างหลังมีอันตรายมากกว่าข้างหน้าผมจะรับภาระระวังหลังตามเดิมเองปวดเพิ่มความระวังขึ้นให้มากที่สุดด้วยภูมิประเทศที่เราจะผ่านตอนนี้ชายภูมิเป็นข้อได้เปรียบของมันเต็นที่เพราะที่กำบังตามากเหลือเกินการเดินที่มีอันเป็นไปจะต้องให้พะวะกพะวงหยุดชะงักนั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะการราวีจากไอ้ดำปอดเริ่มต้นต่อไปตะวันบ่ายยิ่งทวีความร้อนระ อ, อุปันจะเผาผ่านทุกสิ่งทุกอย่างให้มอดไหม้เป็นเท่าหิน เห็นทุกก้อนในระแวกนั้นเป็นสีน้ำตาลปนดำคล้ำป่าซากต้นไม้หรือพืชใดๆขึ้นทั้งสิ้นพื้นเต็มไปด้วยดินลูกหลังและกรวดริมฝีปากของทุกคนแห้งผากแต่เป็นสะเก็ดโชคดีที่มีน้ำเป็นทุนสำรองอยู่พอเพียงหากไม่เช่นนั้นก็ยังไม่มีใครกล้า ย, ยืนยันได้ขบวนเดินทางมหาวิบาทจะผ่านพ้นกระตะทองแดงนี้ไปได้หรือไม่ที่สุด โดยหนทางแคบๆราวกับจะมีใครมาปักไว้ให้เป็นทางเดินอันเคี้ยวโคดนั้นต่างก็พบตนเองถูกบีบเข้าซอกอยู่ในระหว่างผนังหินผาลักษณะเป็นโตกช่องเขาทั้งสองด้านมีแต่หินล้วนๆแต่ละโขดเขินที่งอกชี้ ง, งอกอยู่ระเกะระกะ ร, รอบด้านและดูราวกับภาพของสัตว์ตลาดที่ยืนเด่นเหินหาวอยู่ในลักษณะต่างๆ บางก้อนมีส่วนฐานอันคอดกิ่วติดอยู่กับผายใหญ่เพียงนิดเดียวเพราะถูกกระแสลมและพา ย, ยุซ้ายที่พัดผ่านมานานนับศตวรรษทำท่าเหมือนจะขาดหล่นลงมาวินาทีใดวินาทีหนึ่งก็ได้ทั้งสิน้นขณะที่เดินผ่านลอดกันไปด้วยจิตใจอันเต้นระทึกปาดระแวงนั้นบัดนี้ทั้งหมดไม่มีใครกล้าเผอตัวนอกจากช่วยกันสอดสายตาค้นหาเงาภัยที่อาจแฝงซ่อนอยู่อย่างซอกมุมใดรอบด้าน เคยผ่านไปที่แกรนคันยอนในรัฐอาริโซนาบ้างไหมในความเงียบซึ่งมีแต่เสียงฝีเท้าของ11บอคนย่ำสวบสาบไปบนพื้นกัวดทรายมาเรียกระซิบถามชายยันไม่เคยมันเหมือนกับภูมิประเทศตอนนี้ไม่มีผิดมองไปทางไหนก็เห็นแต่ภูเขาโต่งเหวลึกผมภาวนาขอให้มีคาวบอยขี่ม้าสวนมาสักคนชายยันกระซิบตอบด้วยเสียงแหบแห้งบัตรใดนั้นเองก็ปรากฏเสียงลั่นคึกขึ้น จากยอดผาด้านบนเหนือศีรษะของทุกคนขึ้นไปะพินภัยวันผู้ ก, กำลังเดินตามไตเนินชันอยู่ท้ายกระบวนเหนยูบขึ้นไปเป็นคนแรกภาพที่เห็นกลางเวหาในระหว่างช่องซอกเขาท่ามกลางแสงตะวันอันแผดจ้าซึ่งทอดเป็นลำลงมาทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นลงชั่วขณะแต่ลึงตัวแข็งอ้าปากค้างเสียงที่จะร้องตะโกนเตือนพรรคพวกออกไปไม่สามารถหลุดพ้นลาคอออกมาได้ คนที่แง่งขึ้นไปพบเป็นคนที่สองก็คือดาริน巴拉าราิดหล่นแผดล้องเสียงหลงโวยวายออกมาไม่เป็นภาษาอย่างตกใจสุดขีดมีเสียงตูมสนั่นขึ้นอีกครั้งบนแง่หินระดับต่ํากว่าลงมาพร้อมกับม่านฝุ่นและสะเก็ดหินแตกกระจายเป็นฝอยราวกับถูกระเบิดและบัด น, นี้ทุกคนที่กําลังเดินงุดงุดเรียงแถวกันอยู่เป็นลําดับได้เหน่อยขึ้นไปพบกับมหารภัยอันตรายที่เป็นที่มาของเสียงนั้นพร้อมกันหมดด้วยเลือดในกายที่จับตัวเป็นก้อนแข็ง หินภูเขาก้อนขนาดองค์อังคกรหลุดจากที่ใดที่หนึ่งอย่างเบื้องบนนั้นลอยละลื้ยวบางแสงตะวันหล่นสวงลงมาอย่างช่องทางเดินแคบๆนั้นด้วยอัตรากดดึงดูดของโลกคึกที่ลั่นขึ้นครั้งแรกเป็นเสียงที่มันหลุดเลื่อนจากที่เดิมของมันส่วนที่ปรากฏเสียงคลื่นคือ ก, การหล่นลงมากระทบกับแง่งเบื้องต่ําที่ยื่นล้ําออกมาจากนั้นก็กระดอนกระทบหน้าผาทางด้านซ้ายและขวาสุดแต่แรงเหวี่ยงของมันจะบันดาลและด้วยน้ําหนักเป็นปันบ่ายหน้าลงมายัง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 รากับถูกคว้างมาด้วยมือของอสูรยักษ์พิพตาสุดท้ายที่เห็นมันกระแทกสนั่นวันไหวลงกับเนินหินเบื้องหน้าของทุกคนซึ่งห่างออกไปประมาณ20ล้าและหมุนติ้วด้วยความเร็วสูงพุ่งสวนลงมาใส่ด้านหน้าของขบวนที่กำลังไต่ตามกันขึ้นไปในายหญิงหลบเร็วเสียงพานพื้นเมืองถ้าไม่บุญคำก็จันตะโกนสุดเสียงตะเดง ใครจะเคลื่อนไหวเพื่อหลบหลีกเอาตัวรอดเช่นไรในวินาทีดับจิตนี้ไม่มีใครรับรู้ได้เพราะมันเป็นภาวะตัวไขรตัวมันแต่ภาพที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือนักมนุษยวิทยาสาวดารินวราริศประสาททุกส่วนของหล่อนถูกยึนให้แข็งนิ่งอยู่กับที่เพราะความตกตะลึงตกใจเห็นมนรรตยูก้อนนั้นพุ่งรี่ิตรงเข้ามาหาหล่อนอย่างรวดเร็ว ใครคนหนึ่งที่ยืนเยื้องจากหล่อนไปทางเบื้องหลังและเป็นคนเดียวที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดเห็นเข้าประทะหล่อนสุดแรงเกิดแล้วกระชากล้มขมำลงด้วยการกลิ้งเข้าไปในระหว่างซอกเหินแคบจํากัดตึมทางนอนหมอบซ้อนทับกันอยู่พร้อมกับตําแหน่งที่ดารินยืนตะลึงอยู่เดิมอันหางออกไปเพียงแค่เอื้อมก็ถูกบทกระแทกเสียงดังสนั่นเหมือนโลกทั้งโลกจะถล่มทลายลง ประสาททุกส่วนชาดิกไม่สามารถจะตระหนักได้ว่าในขณะนั้นตนเองยังมีชีวิตอยู่หรือว่าล่องลอยไปสู่โลกไหนแล้วในอนุสติอันเบือนลางรู้สึกได้ต่อไปว่าหลังจากที่มันพุ่งกระแทกพื้นตรงที่เคยยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็กระโจนคลืนโคมชนทุกสิ่งทุกอย่างที่กีดขวางหน้าอย่างดุร้ายและต่ําลงไปเป็นลําดับอย่างรวดเร็วและทิศทางที่มันบดขยี้ลงไปนั้นก็คือช่องทางเดินแคบแคบในระหว่างซอกเขาซึ่งกระบวนทั้งหมดกําลังเข้าแถวเรียง ายกันอยู่ท่ามกลางศัพท์สำเนียงร้องอย่างตกใจที่แท้ประสานกันอื้ออึงสั่งไม่ได้สับผู้ช่วยชีวิตราชสกุลสาวไว้ได้อย่างบุดวิตที่สุดก็คือมาเรียฮอฟมันที่สุดให้เห็นได้ชัดว่าในวินาทีชุกละหก สุดขีดนั้นหนําสาวไม่ได้เสียสติไปเลยตรงข้ามกับนักมนุษยวิทยาซึ่งความงงไม่ทันรู้ตัวทําให้หมดตะลึงอยู่เชิดถาดูเหมือนจะเป็นคนที่สองที่ประจันหน้ากับหินมะรือยู่ก้อนนั้นเขาเองไม่ได้ตกใจต่อก้อนหินที่พุ่งส่วนลงมาแต่ก็หมดตกตะลึงที่เห็นน้องสาวเป็นเต้าขวางอยู่ข้างหน้าเป็นมรณะภัยอย่างนั้นอย่างไม่อาจช่วยตัวเองได้และเขาก็อยู่ห่างเกินกว่าที่จะให้การช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นมาได้สติขึ้นอีกครั้งก็เมื่อมันกระแทกโคมผ่านตําแหน่งที่ดาวเรียนยืน อยู่ลงมาแล้วและกำลังกระโจนริวเข้าใส่เขาหัวหน้าคณะถีบตัวเองพุ่งเข้าไปเบียดแนบอยู่กับผนังท้ายอย่างไม่คิดชีวิตโดยสระไรเฟลิลประจำมือที่เกะกะทิ้งอยู่ลงกับ มันก็ตูมสะเทือนเลื่อนล่านผ่านสันหลังเขาไปห่างเพียงชั่วฝ่ามือเดียวอย่างดุก้ายเกลี้ยวกะ่ร า, าวกับพายุพะการเชิดถาหลุดพงะลงมายืนอยู่กลางทางเดินอีกครั้งขณะที่มันผ่านพ้นไปแล้วท่ามกลางม่านฝุ่นสะเก็ดทลีที่กระจายว่อนตามหลังมันลงไปนั้นเขาเห็นจุด458แมดกนัมแอฟริกันประจำมือของเขาที่หล่อนอยู่ พื้นกระเด็นว่อนตามแดงเหวงของมันไปด้วยตัวล้ำกล้องเหล็กและพานท้ายแยกชิ้นส่วนกระจัดกระจายออกไปกันคนละทิศคนละทางมันแหลกเหลวย่อยยับไม่มีชิ้นดี พิสตาต่อไปชยยันเกิดเสยและสางปาก็ครอโจนผ่าออกจากที่เดิมของตนไปคนละทิศคนละทางโชคดีอยู่บ้างที่ตำแหน่งซึ่งคนเหล่านั้นเดินอยู่ยังมีบริเวณกว้างพอที่จะหลีกหลบได้ไม่แคบจำกัดเหมือนระยะหน้าอันเป็นช่องที่ดาวรินกับมาเรียรเผชิญอยู่สภาพของคนเหล่านั้นและไม่ผิดอะไรกับปลิงข้างที่เพ่นหนีเอาชีวิตรอด แล้วมันก็ริ้วเลยมายัางและพินไปวนันอันเป็นคนรังท้ายขบวนต่ําสุดไม่เป็นการคับขันสําหรับเขาเสแล้วเพราะมองเห็นเหตุการณ์อยู่ทุกระยะมีระยะเวลาพอที่จะตัดเตรียมได้และแรงที่กลิ้งลงมาก็เริ่มจะอ่อนลงแล้วเขาหลบเข้าหาโขดหินก้อนหนึ่งที่งอกบางหยุดข้างหน้าปล่อยให้มันกลิ้งข้ามหัวไปแล้วเพ่นขึ้นไปยืนโดยเร็วท่ามกลางความพวะระวัวงห่วงใหญ่พักพวกซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบ ว, ว่าใครจะได้รับอันตรายเช่นไรบ้างทันทีนั้นก็เห็นเงาดันผ่านแวบไปยัง ยอดชะง่อนอันเป็นที่หลุดล่วงลงมาของหินก้อนนั้น จอมพันวิ่งสุดฝีเท้าโดยทิ้งความห่วงกังวลใดๆไว้ก่อนทั้งสิ้นไต่ตีนขึ้นไปยังภูเขาหินอย่างรวดเร็วพร้อมกับสายตาที่เบิกโพงพยายามกวดค้นหาเป้าหมายไปยังแง่หินอันงอกอยู่เป็นกำบังเล่เกะะกะนั้นจ้องไรเฟริลนิ้วแตะลอยอยู่ที่ไกลตัดสินใจที่จะยิงในทันทีแม้เพียงชั่วพริบตาที่สิงแปดปอมผ่านให้เห็นโดยจะไม่ยอมเสียโอกาสอีกแล้วปล่อยหน้าที่กูตะโกนค้นหาและสอบถามความปลอดภัยของกันและกันให้แต่พวกเบื้องล่าง มาเรียเป็นคนจุดแขนดาวรินให้ลุกขึ้นยืนดาวมนุษย์วิทยายังงงงงอยู่เหมือนตกอยู่ในห้วงฝันชา ย, ยันกับเชษฐาก็เพ่นเข้ามาถึงรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เมื่อเห็นหญิงสาวทั้งสองปกติเรียบร้อยดีไม่มีร่างกายส่วนใดบุบสลายย่อยยับไปเชษฐานั้นร้องสั่งเร็วปื๋ให้ทุกคนอยู่ที่เดิมตนเองช่วยได้จุดหนไนโตรของช ย, ยันแล้วก็ปีนไายตัดตามแล้วพินขึ้นไปอีกด้านหนึ่งอย่างรวดเร็ว ทั้งสองมองเห็นกันอย่างถนัดแม้จะไต่ขึ้นมาคนละด้านและพินโบกมือเป็นสัญญาณไปทางกลุ่มหินด้านขวามือพร้อมกับกระโดดไต่เข้ามาโดยเร็วอดีตท่านรูตทหารโบกก็ออกวิ่งพร้อมกับพยายามมองคนไปทุกซอกทุกมุมกดหินปืนประทับพร้อมอยู่บนไหลไม่ขี่อึดใจจอมพนก็วิ่งตามเข้ามาถึงนายจ้างทางโน้นครับบนยอดหินลูกข้างหน้าโ น, น่น เขาบอกเปลวปื้แล้วเห็นข้ามแง่หินไปทีละช่วงอย่างคล่องแคล่วปาดเปลวเชิดถาก็กวาดตามกระชั้นชิดมาติดๆครู่เดียวทั้งสองคนก็มายืนเด่นอยู่บนชะ ง, งอนหินอันเป็นลานเรียบยื่นล้ำออกไปจากซอกผาสูงจากระดับที่พวกข้างล่างยืนชุมนุมแง่งมองดูในขณะ น, นี้ระยะประมาณ50ฟุตหมุนตัวไปรอบๆสีหน้าของพานใหญ่สอ่อความเครียดแค้นขุ่นเคืองผิดหวังอีกครั้งกัดกรามแน่นเชิดถาจ้องหน้าเพราะเดาเหตุการณ์ไม่ถูก วิ่งกวดตามรับพินขึ้นมาเพราะความเป็นห่วงเท่านั้นเห็นอะไรผิดปกติหรือไอหินมรตยุก้อนนั้นมันลงลงไปใส่เราได้อย่างไรถ้าตาไม่ฝาดผมสาบานว่าเห็นบั้นท้ายของไอดำ ม, มหาการนั่นแว บ, บหนึ่งตอนที่ก้อนหินพัดหลุดจากชั้นกอนหินนี่ล่วงลงไปใส่พวกเราเขาตอบด้วยเสียงคารามตาลุกปัว้ว แต่มันเร็วเหมือนผีแบบเดียวเท่านั้นหายไปเลยกะว่าขอให้เห็นถนัดตาสักนิดมันไม่เปิดโอกาสให้เห็นเลยคุณแน่ใจร้ว่ามันไม่ได้ขึ้นจากอุปัตวะเหตุบางเอื่นพวกเราผ่านเข้ามาในเวลาที่ก้อนหินคอดกิว่วถูกลมกันโชกขาดหล่นลงไปพอดีและพินยิ้มเสยีย นั่นมันโอกาสหนึ่งในพันล้านครับที่หินซึ่งถูกกลมพัดมาเป็นเวลาแสนแสนปีจนคอดเกี่ยวแล้วบังเอิญถึงเวลาสุดท้ายขาดตกลงในเวลาที่เราผ่านมาพอดีหินก้อนที่ตกลงไปใส่เรานั่นไม่ใช่หินที่ขาดลงไปเองแต่เป็นก้อนหินที่วางอยู่เพียงหมิดหมินบนชายชะนนี่